เราจะเห็นว่าการเรียนวิปัสสนากาเรียนสมรถต่างกันสมถท t หมายความว่ามุ่งที่จะให้ติดสงบทำไงก็ได้จะให้จิตสงบแต่เรียนวิปัสสนาที่ทำไง ก, ก็ได้ทำให้จิตตื่นรู้นะ น, นี้คือวิธีที่แต ก, แ ต, กต่างกัน the way of samatha the way of uh, concentration and the way of insight meditation may be different Uh, samatha try to do anyway and calm down and keep the mind stay in the peaceful mind, calm and quiet and peace all the time. That is the way of samatha. But the vipassana or insight meditation, anyway we try to do how to maintain the awakened mind and <coughs> knowing mind. คีปส์ตงตลอดเวลาด้วัสสนาเมื่อเรารู้การแตกต่างของนี้เรา a ามารถปรับการก l ะทำของเราใสอดคล้องกับวิปัสนช่วงเช้านี้เราจะ uh, เรียนรู้ศึกษากเรื่องของจิตใช่ที่เราสวดนเชา้าสวด uh, สวดไปตนเชา้า มิสวดไปเมื่อวานยินช่วงเช้าวันไหนเราจะเรียนเรื่องอะไรเราก็จะสวดเรื่องนั้นแต่ตัวเย็นจะไม่สวดแต่ตัวเย็นจะสวดเรื่องทั่วไปเรื่องบทพิเศษเรื่องพิจารณาเรื่องอะไรต่างช่วงเช้าเราจะเรียนเรื่องจิตแล้วก็สวดเรื่องจิตเราจะเรียนเรื่องเวทนาก็สวดเรื่องเวทนาเพื่อจะให้เห็นว่าตัวบทที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้กับสิ่งที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกันมันสัมพันธ์กัน แล้กวก็มีหลักฐานด้วยนะเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างสิ่งที่พระพุทธ อ, องค์ตรัสเพียงแต่เรานำมาขยายให้ให้เห็นภาพทั้งสองส่วนภาพทั้งที่เป็นตัวหลักที่พระองค์ท่านตรัสเอาไว้และภาพที่เราขยายความเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งนำไปสู่ภาคปฏิบัตินิธิ ที่เราพยายามปรับใหม่เพราะว่าที่ในอดีตที่แล้วมาพระท่านไม่ได้บอกเราว่าวิธีแบบไหนคือเป็นสมถะวิธีแบบไหนเป็นมิจัาสนานะแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆเราจะคัดแยกเอาเองซึ่งมันเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่เราจะไปคัดแยกเพราะเราไม่มีเวลามาพิจารณาเรื่อง น, งนี้วั น, วนๆเราก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องธรรมหากินเรื่องประกอบอาชีพเรื่องครอบครัวใช่ไหม เนื้อฟังพระในเวลาอันสั้นเราจะให้เราแยกอันนั้นเป็นเป็นไว้ไม่ได้แต่พระต้องทําหน้าที่ให้ชัดลงไปว่าอะไรเป็นอะไรในช่วงเวลาอันสั้นแล้วนําไปสู่ปฏิบัติทันทอีอันนั้นคือเราจะไม่เสียเวลายิย่งคนปัจจุบันเนี่ยชีวิตการงานอาชีพค่อนข้า ง, างสับสวนวุ่นวายเกี่ยวข้องอะไรๆอย่างแม้แต่คนที่รีไทยแล้วนึนกว่าจะได้พัก ก็ไม่ได้พักอยู่นิยุ่งวุ่นวายกับลูกกับหลานไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบางคนก็นยังทํางานอยู่เนี่ยซึ่งรับผิดชอบมากมายนะนั่นถ้าหากว่าเราเรียนศึกษาเรื่องวิปัสสนาหรือสมถะก็ต้องเอาไปเพื่อให้มันไปแก้ไขไปช่วยให้เราหนักด้านเดียวหนักด้านกายแต่ใจเราไม่หนักแต่ถ้าเราหนักทั้งสองด้านเนี่ยเราก็จะแก่ไวเจ็บไวป่วยไวตายไวกายก็หนักใจก็หนักมันไม่ไหวนะ นั้นการนับถือพุทธศาสนาของเรามันจะต้องมีส่วนเข้าไปช่วยเราให้เข้าไปเบาในส่วนใดส่วนหนึ่งเราต้องการเบาในส่วนใจกายนี่หนักเท่าไหร่ก็ได้ถ้าใจไม่หนักโอเคใช่ไหมทำงานได้ทั้งวันแต่หนักใจแล้วบางทีกายเบานี่ก็ไม่ไหวมันกันหนักใจไม่อยากทําอะไรหมดกําลังใจใช่ไหมแต่ถ้าเราหนักแต่กายแต่ใจนี่แช่มชื่นเบิกบานสงบอทํางานสนุกสิได้ผลงานที่ดีออกมาอันนี้คือข้อแตกต่าง พะนวิปัสนาจึงจำเป็นต่อทุกๆคนตั้งแต่อายุส0บหัวคนไปถึง 80-90 ิัเก้ลนะถ้าจะเรียนสมัยครั้งพุทธกาลท่านไม่รับคนอายุมากเท่าไหร่นะท่านอายุคนหนุ่มๆ น, น้อยๆเพราะอะไรเพราะทำได้จริงจังเริงเพราะอายุมากมันลุงลังหลายอย่างเนาะลุงลังเรื่องสุขภาพไม่ดีเรื่องทิฏฐิมันนะ่เยอะอดีตเยอะเรื่องพลาลัทธี่ชบบุ่นว แต่อายุยังน้อยนี่เรียกว่าสติปัญญายัางเข้มแข็งพร ะ, ะก็ไม่ค่อยมากแล้วก็ความทิฐิมรณะก็ไม่ค่อยสูงประสบการณ์ชีวิตก็ยังไม่เกิดการเปรียบเทียบอะไรมันก็ใส่สิ่งนี้เข้าไปได้ไวแต่เอาละที่นี่ในไหนแล้วก็มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างหนุ่มหรือแกนะความเข้าใจถูกเป็นหลักที่สําคัญถ้าเข้าใจถูกแล้วเนี่ยบางทีคนอายุมากก็จะไวกวคนหนุ่มเพราะเกิดปัญญา ประสบการณ์ชีวิตได้ไวกว่าเดี๋ยเกิดสลัดทิ้งในส่วนที่ไม่มีสาระเอาไปแล้วเลือกอส่วนที่เป็นสาระอันนี้ความได้เปรียบของผู้สูงอายุคือมีชีวิตและประสบการณ์มายาวนานจะเข้าใจอะไรได้เร็วเดี๋ยวก็สิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่ค่อยสงสัยแล้วก็ทุ่มเทได้นั่นหมายความว่าถ้าผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับไปได้ไวคุณหนุ่มอีกแต่คุณหนุ่มเขาจะค้างคาในเรื่องของอความสงสัย นะแล้วก็คิดว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มจะเรียนเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่อยากจะตั้งใจจริงจังแต่ผู้สูงอายุได้คิดว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราผ่านหมดแล้วแต่เรื่องนี้ฉันยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการทุ่มเทจะอาจจะต้องได้มากกว่าคุณหนุ่มคุณสาวอันนี้มันมีข้อข้อจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันตรงนั้นนะทีนี้ช่วงเช้าเราลองมาดูเรื่องของจิตตานุปัสสนา ซึ่งเรื่องของเวทนากับกายเนี่ยเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของการเกิดเรื่องจิตและเรื่องธรรมมานุปัสสนาเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของนามและเป็นเรื่องของการดับกายกับเวทนาเป็นรูปจิตกับอารมณ์เป็นนามเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสองงานก็เป็นรูปนามเพราะในแง่ของวิปัสสนาเริ่มต้นที่เรเข้าไปเห็นรูปกับนามชัดแต่รูปนามที่เราพูดถึงกับรูปนามที่ ตำร า, านี่สัมพันธ์กันอย่างไรรูปนามที่เป็นตําราที่ถูกต้องหมายถึงเรามาดูกายกับความรู้สึกของกายให้ชัดเสมอเรว่เรลลารู้จักรูปคำ ว, ว่าดูให้ชัดหมายว่ามไม่ใช่ดูเห็นเฉยๆแต่ให้เห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความไร้สาระของรูปตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเขาว่าเห็นรูปชัดไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆนะแต่เห็นความแต่เราเห็นเราจะใช้คำว่าเห็นซื่อในความซื่อเราจะสัมผัสได้ถึงความแปลงเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกดับตลอดเวลาเรียกว่าชัดเราจะเห็นซื่อทื่อๆไม่ใช่องั้นนะแต่เห็นชัดๆคือเห็นหลักของไตรลักษณ์นั่นเองเรียกว่าเห็นรูปทางกาเห็นไตรลักษณ์ทางรูปเห็นแต่ละของกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่สบายตลอดเวลา เ ป, นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับนูนเปตลอดเวลาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันปรปูนแลเปลี่ยนแปลงเลยเป็นทุกข์เราต้องปรับแต่ปรับมีสองลักษณะหนึ่งปรับด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวปรับเอาทุกข์ออกเนะี่ยนั่งนานก็หนักยืนนานก็หนักนอนนานก็เมื่อยเดินนานก็ปวดการเคลื่อนไหวเพื่ออะไเพื่อผ่อนคลายเอาไอต้ตัวหนักตัวเหนื่อยนั้นออกตลอดเวลาแต่การปรับออกมีสองลักษณะหนึ่งสนันนคลักษณะที่ตั้งใจรู้ อาการหนักเบาแล้วก็เปลี่ยนไปให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการหนักการเบา2เปลี่ยนแปลงไปด้วยความไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาพราะรู้สึกหนักปั๊บแล้ก็เปลี่ยนปั๊บทันทีเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนด้วยสัญชตาตญาณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอันแรกเปลี่ยนเพื่อไปสู่การรู้แจ้งชัดถึงโกฎของใจลักที่มันมีโดยธรรมชาติเราจะจําเรื่องตจลักได้ไม่ได้เราจะรู้เรื่องมันหรือไม่ก็ตามแต่เราดูอาการของมันเท่านั้นเองอาการว่าเออหนัก มันหายไปอย่างนี้นะาการเบามันเกิดขึ้นอย่างนี้สูนั่งนานรู้สึกหนักอพอลุกขึ้นความหนักหายไปความเบาเข้ามาแทนที่แต่ถ้าหากว่าเออแล้วลุกความไม่พอใจหายไปความพอใจเข้ามาแทนที่อย่างนี้ไปต้นแล้วเห็นอาการเกิดขึ้นในการเปลี่ยนผ่านระหว่างอาการสบายไม่สบายลักษณะเห็นุนการเหล่านี้ชัดจเจนเลยกว่าเห็นไตรลักษณ์รู้จักรูปละ เพราะลักษณะคนรก็จะมีสองอย่างความสบายไม่สบายใช่ไหมแต่อันที่สามความรู้สึกทั้งสองอย่างสบายหรือไม่สบายไม่ชัดหรือกว่าทุกขมิสุเนี่ยอันนี้ยากหน่อยที่เราจะเห็นเพราะมันมีนิดเดียวช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจากที่ช่วงที่หนักหายไปเบาปรากฏแค่นั้นเองเรียทุกขมสุขช่วงนั้นเราจะบัญญัติไม่ได้ว่าไปสุขหรือเป็นทุกใช่ไหมพอยืนไปสักพักก็ิ่มหนักแล้วทุกปรากฏอีกใช่ไหม แต่ในช่วงเวลาทุกคนนั่งลงไปเปลี่ยนผ่านจากความหนักไปสู่ความเบาในช่วงเปลี่ยนผ่านานี้เป็นเรือ่ออัตุขมสุขซึ่งถ้าหากว่าใครพยายามจับจุดนี้ให้เห็นชัดๆเนี่ยปัญญาจะเกิดแทนที่จะเป็นหน้านตาอย่าลืมการเปลี่ยนแปลงจากอาการหนักไปสู่เบาเปลี่ยนแปลงจากอาการเบาไปสู่หนักอาการที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเรียกว่าอะไรอา น, นิจังใช่ไหมไปสู่หนักสู่เบาเป็น ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เป็นทุกขงังแต่ถ้าเราควบคุมเข้าใจมันได้มันเป็นปัญญาคำว่าแทนที่จะเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขงังเป็นอัตตาแต่การที่เราเข้าไปตั้งใจดูการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเป็นทุกขงังมันกลายเป็นสมาธิเกิดจากตัวทุกนั่นเองอือตรงนี้มันเปลี่ยนผ่านกันได้ตรงนั้นนะ วันนี้ศีลสมณียปัญญาก็ออกมาจากอันนี้จังทุกขังหน้าตานั่นเองแต่ว่าตัวอะไรเป็นตัวเปรียนตัวแปลตัวเปลี่ยนคือตัวสติคือตัวตามรู้ในที่นี้ไม่ใช่เพ่งรู้ตัวตามรู้นะตัวเขาใช้คำอนุปัสนากายานุปัสนาใช่ไหมตามศัพบคือตัวอนุปัสนาแปลว่าการตามรู้อาการหนักอาการเบาทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแข่งเปลี่ยนขาถ้าเราตามรู้อาการหนักกันเบาที่เปลี่ยนไปนั่นแหละเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตที่ไม่ทุก เพราะนั้นสิน่ก็เกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้จางเปลี่ยนเป็นสีน่งล้ทุกขังเพราะตามรู้การหนักการเบาอย่างต่อเนื่องตั้งใจดูมันเป็นสมาธิแทนที่จะกลายเป็นทุกข์ใช่ไหมมันเป็นสมาธิแทนที่จะกลับไปเป็นความไม่พอใจกลับเป็นความตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องของจิตพอปรับอย่างนั้นได้ไปสู่ความสบายความโปร่งเบาแทนที่จะเป็นอนัตตามันเป็นปัญญาเป็นธรรม เพราะนั้นสินสมุธัปัญญาอาศัยตัวอนิจจังทุกขังนาตาเกิดมันไม่ใช่เกิดโดยลอยๆนะมีที่ไปที่มาถ้าถามว่าสินถ้าถามว่าตัวศิลสมุทัยปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากสติที่เข้าไปตามรู้อย่างต่อเนื่องของไตรลักษณ์ทั้งสคือนิจจังทุกขังนาตาถ้าถามอีกทีหนึงว่าแล้วอนิจจังทุกขังนาตาของกายมาจากไหนเนี่ยเราจะตอบว่างไง เพื่อยี่ทีฟังมาหลายหัวแลต้องตอบได้รู้ว่าสีนสมาธิปัญญานี่เกิดอาการของจิตเนี่ยเกิดมาจากไตรลักษสามตัวใช่ไหมแต่อาการสามตัวคืออันนี้จังทุกขังตาถามวิธีของร่างกายเนี่ยเกิดมาจากไหนเราจะตอบว่างไงนักเรียนเกา่าธรรมชาติไม่ได้อันนั้นเรียกว่ามั่ว <c oughs> <c oughs> ตอบว่าธรรมชาติเรียกว่ามั่วนะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้ว เมื่อวานเนี่ยเราพูดกันหยกๆยเกิดจากอาการสองอาการคือเกิดกระดับตัวเกิดเป็นอนิจจงใช่ไหมตัวดับเป็นอนัตตาแต่ตัวเกิดที่ไม่มีการควบคุมด้วยสติมันกลายเป็นตัวทุกข์ขังขึ้นมาทันที แต่ถ้าตัวเกิดนี้มีสติสัมมาสติเข้าไปตามรู้ทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิอนัตตาเปลี่ยนเป็นปัญญาอนิจจังที่เกิดเป็นเป็นศีลเพราะฉะนั้นตัวอนิจจังทุกขังดับ ก, ก็เกิดมาจากตัวอนิจจังและกนอนัตตาเกิดอนิจจังเกิดใช่ไหมอนัตตาไม่มีสภาวะดับ แต่ทุกขังมาได้ไงเพราะเราไม่มีสติตามรู้ถึงอาการเกิดกระดับนั้นทุกขังยังเกิดตามมาเห็นหรือยังว่าองค์สามเราก็มาจากองค์สองของเดิมมันเองคือเกิดกระดับทันไหทันนะเพราะนั้นเราจะรักษาสภาวะการเกิดดับได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่มีตัวทุกข์เกิดขึ้นมาระหว่างกลางระหว่างเกิด ถ้าไม่มีสติมันก็จะเกิดไปเรื่อยๆกลัวมันจะดับโอ้เกิดไฟไหม้บ้านควบคุมไม่ได้ดับไม่ทันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าไฟนั้นจะดับบ้านเหลืออยู่ไหมไม่เหลือแล้วภาวะที่ไฟไหม้บ้านทั้งหมดคือภาวะที่ทุกขังเอารู้ว่าไฟช็อตไฟไหม้บ้านรู้ทันดับได้ทันทีไฟทันไหม้บ้านไหม เกิดแล้วดับทันทีทุกขังไม่เกิดไฟไม่ได้บ้านไม่ได้ไหม้บ้านหลังนั้นเพราะรู้ทันเยอะก่อนแต่รู้ทันเร็วแค่ไหนดับได้เร็วแค่นั้นแต่รู้ทันช้ามันไม่ไปได้ครึ่งหลังแล้วดับได้อีกครึ่งหลังเหลือแล้วอยู่ได้ไหมมันก็มืนเสียทั้งหลังนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามรู้ช้าเท่าไหร่ความเสียหายยิ่งเกิดเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกฝึกสติให้ไว้ที่สุดให้รู้ทันให้ไว้ที่สุดแล้วเราจะทุกข์น้อยที่สุดหรือไม่ทุกเลย เมื่อไฟเกิดรู้ฐานไฟชอ็อดตรงนี้รีบเอาขั้เอาลงนะมันก็ไม่เบินบ้านทั้งบ้านใช่ไหมที่ไฟชอ็อดไม่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านไม่ทะลุ ป, ปูบากหรือตั้งหม้อข้าวเอาไว้ใช่ไหมหรือหม้อแกงเอาไว้ไปทําอะไรเพลินกลับมาไฟไมหมหม้อข้าวทะลุไฟไหมที่เช่นหมดใช่ไหมอันนี้คือเหตุการณ์ปกติที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมในแง่มันนามธรรมเราไม่เคยรู้เลยมาจากไหน อันนูประธรรมเป็นส่วนที่ปลายเหตุใช่ต้นเหตุมาจากนามธรรมา ท, ทุกเรื่องทุกกรณีอัิเส์ต่างๆคือปลายเหตุใช่ต้นเหตุมันคืออะไรประมาทก็คือปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นความประมาทก็คือทุกขังนั่นเองัอนนี้สุดความประมาท ถ, ถึงที่สุดเป็นไงอัิเส์ คุณอาจจะผิดกฎจราจรส0ครั้งแต่ครั้งที่11คุณแจ็คพอร์ตอักซิเดนมันอาจจะไม่อัซิเดนครั้งที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ใช่ไหมแต่คนนี้เริ่มประมาท10ครั้งขึ้นไปหรือบางคนประมาท ถ, ถึง20ครั้งถึงเกิดอัซิเดนบางคนประมาท ถ, ถึงร0อยครั้งถึงเกิดอัซิเดนบางคนประมาทแค่สครั้งเกิดอักซิเดนขึ้นอยู่กับระดับความประมาทนี่เข้มแค่ไหนอันนี้ความละเอียดของของ ปัญญาที่ได้รู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเราทำไปการฟังเนี่ยฟังไปนานๆเพลินไหม mm hmm. เพลินแล้วคิดไหมคิดใช่ไหมที่ทำไงเราก็เลยเพื่อมาให้เพลินเมื่อกีก็มีการเซตอัพทุกระยะห้านาทีนั่งตัวให้ตรงหายใจให้ลึกปรับเอาไม่ให้เพลินถ้าเพลินแล้วอาการเราก็จะเปลี่ยนละใช่ไหม เราก็จะคิดไปแล้วก็ง่วงไปบางคนยิ่งฟังก็ยิ่งง่วงบางคนยิ่งฟังยิ่งหลับคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมแต่ฟังแล้วเกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าเพราะเหตุใดการเข้าถึงสภาวะธรรมของชาวพุทธถึงช้าเพราะว่าเรา ส่วนใหญ่เราไปเรียนคัมภีร์มาแล้วจะอธิบายคำภีรเรื่องนะั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้อะไรกําลังเกิดขึ้นกับเรานะท่านไม่กล้าชี้เพราะท่านเองก็ไม่กล้าชี้ตัวเองเหมือนกันเหมือนกันเถอะเมื่อไม่กล้าชี้ไม่กล้าแก้ไขปรับปรุงตัวเองก็จัดการกับคนอื่นไม่ได้แต่มาเฝ้าดูสังเกตศึกษาเรื่องนี้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าจะทําตามเพื่อนทั้งหมดเออเรานั่งฟังพระเทศทั้งชั่วโมงเราได้อะไร เออพนทพูดดีนะแต่พูดดีเราทําตำได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ปเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราเราเราเสียเวลาเพราะสิ่งนี้พูดดีนะรู้สึกอิ่มใจชื่นใจอิ่มใจชื่นใจสักพักหนึ่งพอไปเจอปัญหาเป็นมันยังอยู่ไหมไอ้ความอิ่มใจชื่นใจนั้นไม่เหลือแล้วทุกเหมือนเดิมเอาเราไปหาฟังธรรมใหม่ไปหาพระเาใหม่พระก็จะพูดให้เราเกิดศรัทธาเกิดความคิดเกิดได้ข้อคิดอ้าวดีใจว่าใจเบาไว้พักกลับบ้านไปเจอปัญหาใหม่ ไอสิ่งที่ฟังมาเมื่อกี้หายไปอีกแล้วทําใจไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเล่าๆล่าไม่เคยแก้ปัญหาตัวเองได้ชาวาพุทธของเราก็ได้แค่นี้แหละเอามาก็สังเกตเออสมัยก่อนเนี่ยคนฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งสองครั้งได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบุนคคลบรรลุธรรมกับที่เลยทําไมมันไวขนาดนั้นแล้วปัจจุบันนี้เราถือว่าคนปัญญาอ่อนลงหรือเปล่าความเข้มแข็งอ่อนลงลเปล่า หรือไม่มีผู้รู้ที่จะชี้แจงเรื่องนี้หรือเปล่ามันถึงไม่เป็นอย่างนั้นเอามาก็มาพิจารณาอ๋อมันไม่ใช่เพราะเราขาดการยนานมิตรผู้รู้จริงว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนะองค์ของการเข้าสู่อริมักมีสองอย่างใช่หมหนึ่งการยนานมิตรสองโยนิโสมนสิการถ้าเราพบการยนานมิตรไม่ถูกต้องเกิดโยนิโสไหมก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราพบการยามิตรที่แท้จริงเราไม่เกิดโยนิโส พบกเรียมิตรผู้รู้จริงเกิดประโยชน์ไหมก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไม่มีโยนิโสคือไม่เกิดปัญญาคือไม่ใ่ตรองไม่พิจารณาในสิ่งที่ท่านกล่าวมาใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดเราทําได้หรือไม่ได้เรียกว่าขาดโยนิโสมัรคการเพราะฉนั้นกเรียมิตรถึงเราพบท่านเป็นคนจริงแต่ว่าท่านจะช่วยเราได้แค่50ซแต่โยนิโสคือความละเอียดถี่ทุนของเราต้องมี50อร์ซมันถึงจะครบองค์มากเกิดเป็นสมาธิธิได้ เพราะนั้นสมาธิทิฐินั้นท่านจึงเปรียบเสมือนว่าเป็นตัวแรกของเหมือนกับพระาอาทิตย์ที่เป็นจุดแรกที่เกิดแต่พระอาทิตย์จะขึ้นทางไหนของของโลกใบนี้เรารู้ได้ไงถ้าสมมติเราไปต่างถิ่นเราไม่รู้ว่าทางไหนเป็นที่ตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้ใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงตื่นขึ้นมาเราไปถึงกลางคืนใช่ไหมตื่นขึ้นมาของเมืองนั้นเราไม่เคยไปเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า ทางไหนเป็นทางตะวันออกถึงเช้าขึ้นมาเรารู้ได้ไงพระอาทิตย์มันจะขึ้นใช่ไหมตรงไหนมันสว่างกว่าเพื่อนะเรารู้ว่าตรงนั้นเป็นเป็นตะวันออกเราใช่ไเริ่มรู้ตะวันตกได้ ย, ยังรู้ได้แล้วที่เหนือที่ใต้เพราะเรารู้ตะวันออกก่อนพระพุทธเจ้าว่าเรื่องนี้ฉันใดก็ดีเราจะรู้ว่ารุ่งอรุณแห่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นแสงสว่างแห่งอริยมรรคจะเกิดขึ้น ด้วยลักษณะสองประการหนึ่งต้องได้พบกเรณมิตรผู้รู้จริงสองเราเองต้องมีโยนิสูมนติการถ้ามีสองประการนี้ถือว่าเป็นบุพนิมิตหรือเป็นรุ่งอรุณแห่งมักอริยมักคือสองอย่างแต่ใช้บาลีท่านใช้ว่าปรต โ, โขโศะหมายถึงว่าเราฟังจากผู้อื่นหมายถึงกเรณมิตรเมื่อพบกเรณมิตรแล้วท่านจะทําให้เราเกิดปัญญาสาประการหนึ่งเราได้ฟังสิ่งที่ถูกต้อง เรียกว่าสุดะมายปัญญาใช่ฟังแล้วเรานำไปไตรตรองพิจารณาแล้วเห็นเหตุเหตุผลเห็นความเป็นจริงที่เป็นไปได้เรียกว่าจินตามายปัญญาสาเรานำเอาสิ่งที่เราเข้าใจถูกต้องและเป็นไปได้ลองไป ล, งไ ป, ลงไปทำดูแล้วมันเกิดตามนะั้นจริงๆเรียกว่าภาวนามายปัญญาในผลของการได้รับได้พบกรเรมิตต้องทาให้เราเกิดปัญญาสามประการนี้ให้ได้ แต่ถ้าหากว่าเราพบท่านแล้วเราฟังแล้วไม่เกิดปัญญาสามประ ก, การนี้ท่านก็ไม่ใช่กัลยาณมิตรของเราเพราะมันไม่นําไปสู่ตัวโยนิโมนสมรดิการเพราะเกิดปัญญาสามประ ก, การแล้วมันจะนําไปสู่ตัวโยนิโสก็คือนําไปสู่การพิจารณาและนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนี่จึงเป็นบุพนิมิตอันแรกของธรรมก็คื อ, คอกัลาณมิตรแล้วถึงนําไปสู่โยนิโสมรสิการ แต่ถ้าการยานมิตรนั้นไม่ทําให้เกิดศรัทธาเพราะอะไรดึงเกิดศรัทธาเพราะมันเกิดได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเห็นความเป็นไปได้แล้วเกิดศรัทธาใช่ไหมเพราะนั้นตัวการณานมิตรทาให้เราเกิดศรัทธาเพราะอะไรจะเกิดศรัทธาเพราะเกิดปัญญาสประการศรัทธาจึงเกิดเพราะฉะนั้นศรัทธาในพุทธศาสนาต้องมีปัญญาสามตัวเป็นตัวรองรับแต่ถ้าเราไปศรัทธา ที่ไม่มีปัญญาสาประการนี้เกิดขึ้นสถานั้นไม่ใช่สถัทาในผู้ศรัทธาศรัทธาหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์ศรัทธาในวิธีการปฏิบัติศรัทธาในสำนักศรัทธาในอะไรก็แล้วแต่ที่เราศรัทธากันเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาตรงนี้โดยตรงศรัทธาที่จะนําไปสู่มรรคผลต้องนำให้เกิดปัญญา3ประการนี้หนึ่งได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้อง2เอาไปพิจารณาตรองตามเห็นความตามความเป็นจริงได้สม เอาไปลงมือภาวนาเป็นเมื่อเกิดศรัทธาตรงนี้พอเราเกิดปัญญาสามกัษสติสัมมยะเริ่มเกิดนี่ๆี่นี่ลำดับตามไ อ, ไอ้เหตุเกิดของมันนะสติสมยัยคือให้คิดโอ้เราใช้ชีวิตมาขนาด น, นี้เรายังไม่เคยทําอย่างนี้ได้เลยเกิดได้สติขึ้นมาองค์ต่อมาคือสัติสัมมิยะเกิดคือได้คิดสัสมมิยะคือได้คิดเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันจะทําได้เลย ใช่ไหมว่าเรื่องมรรคเรื่องผลเป็นเรื่องของคนมีบุญวิสนาคนอยู่วัดคนบวชเท่านั้นเราเป็นชาวบ้านกิเลสหนาตันหาหยาบการงานเยอะแยะไม่มีโอกาสเราจะมาทําเรื่องมรรคเรื่องผลใช่ไหมเราดูถูกตัวเองไว้ขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้คิดพอมาฟังเรื่องนี้มันเป็นไปได้เนี่ยใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงก็เป็นไปได้ความเคลื่อนไหวมีอยู่กับเรามีไหมมีความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวในร่างกายเรามีไหมมีอันนี้เป็นอกกุปกรณ์แล้วใช่ไหม แต่สิ่งเหล่านี้มีกับเรามาตลอดชีวิตทําไมจึงไม่เป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เกิดมรรคผลได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พบกเรณมิตรเมื่อไม่ได้พบกเรณมิตรท่านจะชี้จุดให้เราถูกไหมไม่ถูกเมื่อที่จิตเราไม่ถูกเราไปทําเป็นไหมไม่เป็นเมื่อทําไม่เป็นเกิดปัญญาไหมไม่เกิดนี่เราไม่ได้คิดเพราะจุดนี้พอได้ฟังจุดนี้มันได้คิดพอคิดแล้วไปทําได้เนี่ยพอเลี้ยงเลิกจากนี้ไปยงไปทําที่บ้านได้ไหม ได้พโยมีการเคลื่อนไหวตัวเองอยู่ก็ใส่สติลงไปเท่านั้นเองโยงมีการความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเขืองตึงอยู่ก็ใส่สติลงไปเท่านั้นเองมันก็เป็นต้นทางที่จะได้ตัวต่อมาเมื่อได้สติสัมญาโยนิโสมนรสิการเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวระหว่างกานิยามิตรโยนิโสมรรสิการไม่ใช่มันจะทําให้เกิดได้ทันทีแต่มันจะต้องผ่านอุปกรณ์อีกสองตัวคือศรัทธาและสติสัมปชัญญะ ถึงจะมันเกิดตัวที่สี่คือโยนิสมาสิการเพราะฉะนั้นในคาสอนพระพุทธเจ้านไม่มั่วไม่ได้เลยนะมันทุกอย่างมันจะมันจะสืบทอดมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยแต่ส่วนใหญ่พระที่เราพูดกันมาพุดหนึ่งให้เกิดศรัทธาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องระบบเรื่องเบือเรื่องของตัวเองเรื่องของอะไรไปทุกครั้ง่แล้วก็ฟังไปพระท่านพูดเราก็ต้องฟังะนะดีชั่วถูกผิดก็ต้องฟัง อย่างน้อยก็คือทำให้เกิดศรัทธาเป็นบุญท่านก็บอกว่าทรมัช ส, สวนะใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมฟังเพลินแล้วเริ่ม ง, วง่วงเลยใช่มนั่นทำไงเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เวลานั่งฟังไอ้ทำไมต้องยกมือด้วยอะ่ะคือส่วนดีของมันคือกระตุ้นคุณต้องหายใจลึกๆยืดตัวสูงๆแล้วก็ปรับอืมเราก็จะขจัดความเพลินออกไปได้แต่เพลินไปเพลินมามันง่วงอะ่ะ ใชมเพราะอซีของเราบางคนมันยังอ่อนยเยังไม่คอนโทรโดยเองได้นานก็ต้องคอยปรับมันเรื่อยๆมาถึงไหนละทีนี้ถึงโยนิสุมนุสิการแต่โยนิสมนุสิการมันมีองค์ประกอบเพียงสิบอย่างแต่ว่าไม่ต้องนํามาพูดถึงมันเรื่องยาวเอาว่าทําให้เราเกิดปัญญาได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นองค์ที่ทําให้เกิดโยนิสุมสองประการคือการได้ยินได้ฟังและเกิดปัญญาสามประการ และการได้คิดได้สติสมญาคิดขึ้นมาโอ้เราไม่น่าจะปล่อยชีวิตผ่านมาได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้เราปฏิบัติตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีนะใช่ไหมแต่ว่าไม่สายวันนี้ยังมีโอกาสอยู่ขอให้มีความรู้สึกกายกับรู้สึกเวทนาอยู่ในตัวเรายิ่งอายุมากยิ่งเวทนาเยอะใช่ไหมเจ็บตรงนั้นป่วยตรงนี้เป็นโรคตรงนั้นก็อเอาตัวเวทนาตรงนั้นนะเป็นอุปกรณ์ซะเลยแต่เมื่อก่อนเราคิดว่าไอ้ทุกเวทนาเป็นโรคคล้ายๆเจ็บมันเป็นเรา ใช่ไมเราก็ไปยึดมันปีตกกรมวลกับมันแต่พอบราได้ฟังได้ศึกษาแล้มันไม่ใช่เรานี่นามันคืออาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับรูปเพราะกดของอะไรไของไตรลักษณ์อ่าเราเริ่มแยกออกแล้วอ๋อไตรลักษณ์ก็คือมันรูปทุกรูปไม่ว่าหยาบกลังละเอียดต้องเป็นไปตามกฎตัวนี้ทั้งหมดใช่ไหมเราก็ยมอมรับอ่อความทุกข์มันเกิดเพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะเป็น เป็นกฎของมันเพราะร่างกายเกิดขึ้นเพราะกฎของการเกิดและการดับและการเกิดการดับที่ไม่อยู่ในการควบคุมของสติสัมยะมันเกิดเป็นทุกข์แต่การเกิดดับนี้เมือ่อมีการควบคุมของสติสัมยะมันกลายเป็นศีลสัสมฤทธิปัญญาทันทีเลยเอพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติสิใช่ไหมก็เจริญสติพอเจริญสติแล้วสามารถเปลี่ยนหลักของเกิดดับให้เป็นไตรสิขาคือศีลสัสมฤทธิปัญญาได้เลยการปฏิบัติเริ่มแล้วใช่ไหม ตลอดเวลาไตสีขาเกิดไหมถ้ามีสติกาหนดรู้อาการกายอาการเวทนาไตสีขาเกิดตลอดเวลาตรงนี้เรียกว่าเกิดการสารวมระมาระวงังขึ้นมาหลังจากเราเห็นความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนของกายของใจแล้วจะโยนิสูแล้วเราก็เริ่มระวังลวเมื่อก่อนเราจะพูดเราพูดไปเลยเราจะทำก็ทำไปเลยเราจะคิดกคิดไปเลยไม่เคยเห็นว่าอาการกายว า, ายใจยใจเนี่ยมันจะ เป็นประโยชน์ในเองการภาวนามันเริ่มพิจารณาก่อนที่จะพูดว่าสิ่งที่เราพูดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ไหมน่ารักไหมเป็นความจริงไหมเริ่มพิจารณาแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้เป็นประโยชน์ไหมน่ารักไหมเป็นความจริงไหมสิ่งที่เราคิดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ไหมน่ารักไหมเป็นความจริงไหมเรื่องสำรวจแล้วแต่เมื่อก่อนเราจะพูดก็พูดเลยใช่มวันหนึ่งเราผิดศีลแย่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมผิดศีลข้อไหนผิดข้อเพ้อเชื่อ พ อ, พอข้อที่สี่ว่าเว้นจากการพูดปุดพูด่อเสียดพูดคำหยาบเราเว้นได้สามข้อใช่ไหแต่ข้อที่สี่เว้นยากไหมคือพูดเรื่อยเปื่อยไปอะเจอหน้าใครก็พูดเราไม่เคยระวังใช่ไหมแต่ต่อไปนี้เราเกิดการระวังเพราะมันได้สติมีการกั้นกองคําพูดศีลตัวนั้นริ่มรักษาได้แต่ก็ยากหน่อยใช่ไหมเพราะมันปฏิบัติมาตลอดชีพเพราะมันผิดศีลตัวนั้นมาตลอดชีวิต แต่พระเรก็ไม่เคยบอกเราใช่ไหมเพราะพร ะ, พระถ้าเก่งใจโยมถ้าพูดมากเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวกับโยมนะ เ, เ, เดี๋ยว ไ, ไม่ได้ของของถูกใจอย่างโยมนะถ้าไปเข้าเนื้อเข้าตัวเยอะๆก็เลี่ยงไว้หน่อยแต่มาบอกตรงๆว่าเราปฏิบัติผีสิงข้อสี่มนตลอดชีวิตคืออะไรพูดมากเพผยเจอไราสาระฮะใช่ไหมต้องยอมรับความจริงตรงนี้ด้วยนะชีวิตจริงของเราใช่ไหม เราลองดูเราพูดสิบนาทีเนี่ยเรามากลองดูมันมันมีสาระมีประโยชน์เป็นความจริงแค่ไหนแล้วมันเพลย์เจอไร้ไสาระแล้วก็ทําไม่ได้เนี่ยมันมากแค่ไหนอันนี้คือศีลเริ่มเกิดแล้วใช่ไหมเรียกว่าอินทรีย์สังวรสํารูปกายวาจาใจสํารมอินรีย์หกเกิดการสํารูปแล้วมระหว่ังขึ้นก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดว่าจะทำยังไงให้มันไม่ผิดศีล แล้วต่อมาตัวอีสีสังวรก่ให้เกิดความพูดถูกทําถูกคิดถูกทําอะไรเริ่มถูกพูดในสิ่งเลือกพูดในสิ่งที่ถูกเลือกทําในคําพูดที่ถูกเลือกคิดในสิ่งที่ถูกเรียกว่าอีสีสังวรทําให้เกิดสุดจริตสามกายสุจริตวิชีสุจริตโมนุสุจริตเมื่อเกิดสุจริตสามนี้เมื่อเราเห็นว่าโอ้ ร่างกายจิตใจของเราถ้าหากมันทำอะไรถูกมันสบายไม่มีอะไรตกข้างในจิตร่างกายก็สบายปลอดโปร่งใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีเริ่มสั ง, งรวมระวังเรื่องอยู่เรื่องกินเริ่มสํารวมระวังเรื่องการกระทาอย่างไรที่ไม่ให้สุขภาพมันเสื่อมเริ่มทำสัรวมร่างกายตัวเองก็ทำางให้โรคภัยไข้เจ็บมันน้อยลงเริ่มหาวิธีรักษา หาวิธีดูแลร่างกายได้มากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลเรื่องอาหารดูเรื่องเรื่องการหลับการนอนดูแลเรื่องการพักผ่อนดูแลเรื่องการาการกระทํามากน้อย ไ, ไปหรือเปล่านี่เขาเราียกว่ากายยสุจินิตเริ่มขึ้นแล้วเมื่อทั้งสามอย่างกายวาจายใจเริ่มจัดการทั้งสามเป็นมีศีลมากขึ้นก็พร้อมที่จะไปเจริญสติอย่างที่เราทำคนนี้สติปัฏฐานสีเกิดขึ้นโดยอดัตโนมัติเราก็มาทํา เมื่อทําสติปัสฐานสีได้ถูกต้องตัวสติพุทชงจิตเกิดตัวสติสัมพุทธชงเมื่อก่อนเราเจริญยสติธรรมดาแต่ทำมันเจอสติสัมพุชงคือทําแล้วมันตื่นตัวตลอดเวลาเรียกว่าสติสัมพุทธชงแต่สติเมื่อก่อนคือสติตอบสนองต่ออะไรต่อความเคยชินต่อสัญชตาตญาณจะรู้สึกหนักฉันก็ลุกขึ้นเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมแต่เราได้อย่างเดียวคือได้ความสบายเบากายใช่ไหมแต่สติสมีเยอะได้ไหม ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตามรู้นี่แต่รู้สึกหนักเราตามรู้เออหนักเกิดขึ้นแล้วทนไม่ได้ไม่ไหวใช่ไหมตามรู้แล้วค่อยนั่งลงไปเราเห็นกระบวนการว่าไอ้ความหนักเริ่มหายไปพอดแต่พวกจุดนี่ปับ๊บความเบาเกิดขึ้นสักพักหนึ่งความหนักเริ่มมาอีกแล้วใช่ไหมตามรู้ได้ไหยสิ่งนี้ตามรู้ได้ไหมแต่ทำไมเราไม่ทำเพราะเราไม่เกิดโยนิสโสมนสิการ ตัวจสอบได้ใช่ไหมทำไมจึงไม่เกิดโยนิโสมนติการเพราะเราไม่ได้คิดทำไมไม่ได้คิดเพราะเราไม่เกิดปัญญาทำไมไม่ได้เกิดปัญญาเพราะไม่เจอกายาณมิตรตรวจสอบได้ไหมนะสัมพันธ์กันเลยทีนี้เมื่อสติตัวตามสรรชัตยานให้เป็นสติสัมโพชฌงได้เพราะตามขบวนการตั้งแต่แรกมาเลยเพราะได้ยินได้ฟังเพราะเกิดปัญญาเพราะเกิดศรัทธาเพราะได้คิดเพราะ ตรวจสอบตัวเองอย่างที่ทุน่นเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลง เ, เกิดสํารุมระวังเกิดการใช้กายวาจายถูกเราจะหมดเตือนสติปัญหาได้ถูกแล้วเกิดสัมพุทธชงพอได้สติสิบตรื่นเนื้อตื่นตัวเป็นมรรเข้ามาดูตัวเองได้มากขึ้นใช่ไหมการดูตัวเองวิเคราะห์วิจัยได้มากขึ้นเรียกว่าธรรมวิจยะสัมพุทธชงเกิดแล้วแค่สองตัวเนี่ยตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงเลย เมื่อเกิดสำรวจตัวเองตัวจสอบตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองได้ดีความเบาสบายเกิดขึ้นปีติเกิดวิทยาสัมโพชงเกิดขยันทําขยันแก้ขยันปรับเป็นวิทยาสัมโพชงแล้วความเบาสบายเกิดเป็นปีติสัมโพชฌงแล้วจิตสงบเย็นสบายบางครั้งเป็นปัสสัยสัมโพชงจิตตั้งมัน่นอารมณ์ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกได้ง่ายเป็นสมาธิสัมโพชฌงแล้วก็จิตของเราก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเป็นอุปเลยขาสัมโพชฌงไหม สัมโพชง์มาโดยอัตโนมัติเลยเราจะรู้จักตัวมันหรือไม่ก็ตามแต่เราไม่จาเป็นต้องรู้เรื่องปริยัติเหล่านี้แต่องค์สภาวธรรมมันเปลี่ยนไปตามนั้นพอสัมโพชง์เกิดแล้วอริมักมีองค์แปดก็มาเองแล้วทีนี้ตัวเห็นถูกคิดถูกทำถูกพูดถูกใช้ชีวิตถูกพยายามถูกตั้งจิตถูกตั้งใจถูกมันมาของมันเองมักแปดมา แล้วก็วิชาก็เกิดขึ้นพอเรารู้มาตลอดว่าเหตุเกิดทุกข์เพราะาวิชาใช่ไหมแต่กวยวิชาที่ถูกต้องจะเกิดมันต้องขบวนการเอานับดูมีกี่ตัวที่หลวงพ่อว่ามาหนึ่งการนิมิตรทําให้เกิดสองศรัทธาทําให้เกิดสามสติสัสมปยะทําให้เกิดตัวที่สี่โยนิสุวรรณิสิกานทําให้เกิดตัวที่ห้าอินทรีสังวรทําให้เกิดตัวที่หก สุจริตสามทาให้เกิดดวที่เจ็ดสติปัญฐาสี่ทาให้เกิดดวที่แปดโหดชงเจ็ดทาให้เกิดดวที่เก้าอริยมรรคบุองค์แปดทำให้เกิดดวที่สิบวิชาเพราะนั้นวิชาไม่ได้เกิดขึ้นได้ลอยๆต้องมีฐานที่ไปที่มาในพูดว่าวิชาแต่วิชาทั้งโลกวิชาทางคนละเรื่องนี่นะวิชาทั้งโลกไม่ต้องมีฐานอันนี้รองรับเพราะมันเป็นเรื่องวิชาข้างนอกเป็นโลกิยะวิชา แต่วิชาที่เรากาลังเรียนอยู่เป็นโลกุตระวิชาความรู้ที่จะดรอให้เกิดจิตที่เหนือเนืออารมณ์ขึ้นมาคําว่าเหนือโลกนี่ไปคิดไปไกลนะคําว่าโลกคือเหนืออารมณ์สองอย่างอารมณ์อะไรพอใจและไม่พอใจถ้าเราอยู่เหนืออารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ได้เราทุกข์ไหมไม่ทุกข์เหนือโลกไหมเหนือโลกคือเหนืออารมณ์ตัวเองนั่นแหะโลกคืออารมณ์อารมณ์คือโลกนะ แต่เราก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะวิ่งอยู่แค่สองอย่างใช่ไหมพอใจไม่พอใจพอใจตลอดเวลาทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เบื่อที่จะไม่ทุกข์บ้างเหรอไม่เบื่อที่จะพอใจไม่เบื่อความพอใจบ้างเหรอไม่เบื่อความไม่พอใจม้างทำไมไปวิ่งอยู่แค่สองอย่างนั้นน่าเบื่อไหมมันกลายเป็นชีวิตแล้วไม่เบื่อหรอกเป็นความเคยชินนะใช่ไหมทีนี้ เมื่อคือธรรมะของพุทธเจ้าม่วไว้ได้เลยนะว่ามันจะต้องมีฐานรองรับซึ่งกันและกันมาทึงได้เห็นข้อบอกพร่องอที่ญาติโยมตรงหรือทั่วไปนักปฏิบัติทั่วไปล่าช้าเพราะไม่ได้ฟังเพื่อเข้าสู่เ ป, ป้าหมายเพื่อการกระทำฟังเพื่อเกิดศรัทธาฟังให้เกิดความอุ่นใจดีไม่เอานารกมาขู่อสวรรค์มา่ออีกต่างหากนะ อ น, นิพานโฆษณาเฉยๆแต่ว่าไปอย่างไรไปนรกอย่างไรไปสวรรค์อย่างไรไปอนิพานอย่างไรไม่ไม่ได้รับความกระทำตรงนั้นแต่สิ่งที่มานําเสนอเนี่ยเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ยากไหมไม่ยากไม่ซับซ้อนทําได้ไหมไมันขึ้นอยู่กับว่าการนําเสนอเนี่ยชัดหรือไม่ชัดถ้าเป็นเรื่องชัดเข้าใจได้ง่ายถึงไม่จะเป็นเรื่องยากก็าตามใช่ไหมเรื่องปริยัติที่เราไม่เคยเรียนมาเลยเราเข้าใจได้นะ เราไปซื้ออาหารกินเนี่ยขอให้อาหารอร่อยกินได้อิ่มก็โอเคแล้วคุณไม่ต้องไปรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรว่ามันใส่เครื่องแกงอะไรท่านจะต้องไปอ่านเมนูซะก่อนว่าอาหารชนิดนี้จะอร่อยต้องประกอบด้วยอย่างจำเป็นไหมไม่จำเป็นหิวก็ไปซื้อแล้วก็แต่กินเรียบร้อยก็ไปทํางานต่อเท่านั้นเองนั่นคือความเป็นจริงใช่ไหมชีวิตเราก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องว่าเออธรรมะนีมะะ่มาจากใครข้อไหนว่างใครเป็นคนกล่าวอ่า ถูกหรือผิดไม่ต้องยังไปรู้ฟังแล้วสบายใจทำได้โอเคจบเหมือนเราไปแล้วหิว่อกินอาหารทำงานจบอันเดียวกันไหมแต่ทำไมไม่ได้คิดอะ่ะเพราะยังไม่เกิดปัญญาไงดัง น, น, นั้นเรื่องเหล่านี้เราจะต้องมาทบทวนกันใหม่หมดในแง่ของการนำเสนอเรื่องสมถวิปัสนานในพุทธศาสนาไม่ได้ผิดพลาดหรอกแต่ว่ามัน มันหลงทางอ่ะเหมือนคนนำทางเราเราไม่รู้จักเป้าหมายไปทางที่แท้จริงนำทางเราไปไปสู่เป้าหมายได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เพราะหน้าที่ของไกรนมิตมีอยู่สีอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้หนึ่งอบอกทางแกหนึ่งเปิดของที่ปิด เรานี่มีรูปมีนามมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมเราเลยรู้เคยรู้ไหมว่ารูปนามนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติจากการเกิดดับรู้ไหมไม่รู้แต่เราเวลารู้รรูปนามเป็นของใครเป็นของเราใช่ไหมมึงมาด่ากูไม่ได้นะกูตอบสนองเลยมึงว่าให้กูพ่อหญ่ไม่ได้นะเออมึงต้องเอาใจกูนะมึงต้องกระทำอะไรถ้าไม่ถูกใจกูมันก็จะมีกูมีมึงตลอดมันไม่ได้เพียงแต่รูปแต่นามใช่ไหมเนี่ยพอพระพุทธเจ้ามาบอกว่ามันไม่จริงๆแล้วมันไม่มีกูมีมึงเนี่ย เป็นธรรมชาติของการเกิดและการดับแต่เราไม่มีปัญญาเราไปยึดถือการเกิดดับว่าเป็นตัวเรานี่เรียกว่าเปิดของที่ปิดไงของที่ข่วมหน้าที่ที่สองนะของกระเดมิกไงของที่ข่วมหมายความว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัญญาตามรู้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนความทุกข์ของร่างกายให้เป็นความทุกข์ของจิตได้เสมอ แต่พอเรามารู้ว่าอ๋อความทุกข์ของร่างกายไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นความทุกข์ของจิตก็ได้เพียงแต่เราฝึกสติสัญญยให้รู้เท่าทันความทุกข์ของกายให้ทันแล้วบําบัดมันเสียที่กายอย่าให้มันทะลุขึ้นไปถึงจิตเราทําได้ไหมได้แล้วคุณหนะักคุณแทนที่คุณจะไม่พอใจคุณจะเบื่อใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนมันออกไปเท่านั้นก็จบไม่จําเป็นจะไม่ไปแสดงความพอใจก็ไม่พอใจกับมันใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่า ไงของที่ควมรู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องเลยว่าร่างกายที่ต้องเป็นไปตามกฎของตรักะอันนี้จังทุกขังหน้าตาพาเปิดได้เห็นอ๋ออันนี้จังทุกขังหน้าตามันก็มาจากการเกิดดับทางกายการเกิดดับไปก่อให้เกิดเกิดตามทางจิตมันก็ไม่รู้ระหว่างการเกิดไปสู่การดับมันมีช่วงช่องว่างของมันว่า เมื่อไฟติดขึ้นจุดนี้ดับไม่ทันมันไหม้บ้านทางหลังกว่ามันจะดับใช่ไช่วงว่างที่มันเกิดเราไม่รู้เท่าทันกวัวมันจะดับไฟไหม้ตรงนี้เราไม่รู้เท่าทันเราดับทันไหมไม่ทันเพร่ะไหม้มันดับเองเรามารู้เมื่อเห็นบ้านไปไงกลายเป็นคิดเท่าไปแล้ว <c oughs> เมื่ออาการปวดเกิดตรงนี้เราไม่รู้เท่าทันเราดั่งแช่ไปเรื่อยๆง่วงเอ้ยงาเอยเบือ ơi, เบ่อเอยเซงเอยคิดเอยฟุ้งซ่านเอย ไม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมจนกระทั่งมันหมดไปเองไม่รู้ผ่านไปยังไงดับเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วนั่งกรรมฐ า, านอยู่นะแต่ไปสวยความง่วงความเหงาความเบือ่อความเสียงความคิดมันได้อะไรอะได้ปัญญาไหมก็ได้มูหาไปทำอยู่นะแต่แทนที่ปัญญามันจะเกิดแต่ตันหาราคาเกิดแต่ปนีดขึ้นอันนี้คือข้อที่ เราไม่เคยทราบมาก่อนนี่เรียกว่าเปิดของที่ปิดงายของที่ควมอันที่สามบอกทางแก่คนหลงทางใช่ไหมยุงเคยเดินทางเคยหลงทางไหมว่าเอ๊ะเนี่ยฉันจะไปะวัดพุทธยาัาธารามพิลาเสวกัเมื่อก่อนมันไม่เจริญเนา ะ, นะไม่มี g p พอไม่มีแผนที่แล้วขับรถไปเลย แล้วก็ถามคนไปเรื่อยๆถามคนนี้เราไม่เคยไปไปถามเจอคนที่รู้ทาง ม, มันก็บอกถูกไปทําข้างหน้าทางไม่ใช่ว่าตรงดิ่งไปสู่ราชวิกันเลยเนาะมันก็มีสามแยกสี่แยกมันไปเรื่อยๆเอ๊ไปถึงแยกนี้เดียไปทางไหนก็ถามก็อีกบางคนมันก็บอกมัก่วบางครั้งแล้วบอกสี่คนถึงจะรู้ว่ามันทางนี้ไปทางไหนกลับไปแล้วกลับไปอีกออกมาเป็นคนเดินทางบ่อยใช่ไหมหลงทั้งสี่ครั้งถึงจะรู้ว่าไปทางไหนอันนี้ทางข้างนอกนะแล้วทางข้างในจะง่ายขนาดนั้นไหม ไม่ง่ายเลยบอกทางแก่คนลงทางคนที่จะพาไปรัศมีกัทได้ทันทีคือคนที่เคยเดินทางไปรัศมีกัสมาแล้วเป็นสิบสิบครั้งบางที่ไปครั้งสองครั้งยังหลงอยู่นใช่ไหมเพราสี่แยกให้แยกมันเยอะ เ, ลเหลือเกินอย่างอเมริกานี่ยิงหลงง่ายถนนมันเยอะ เ, ลเหลือเกินถ้าคนไม่เดินทางจนชํานาญทางมันต้องหลงแน่นอนใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์นักไอวิศวะทั้งหลายก็เห็นว่ามันยุ่งยากนักทำ GPS ขึ้นมาตั <c> ้ <oughs> ง GPS ให้เรียบร้อยวิ่งไปตามนั้นโอเค แต่สู้คนนําทางไม่ได้เพราะคนนําทางเนี่ยมันจะรู้ว่าทางไหนเป็นทางลัดทางตรงใช่ไหมแต่ GPS มันรู้ไหมไม่รู้บางทีเราพาลรวนไปทั่วเลยนะมีใช่ไหมาบางครั้งก็หลงอ่ะในกรณีนี้ที่เราอ่านชี GPS ไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่ใช่ว่าแน่เหมือนคนนําทางคนนาทางได้แก่ใครกัลยาณมิตรนั่นเองบอกทางแก่คนลุกทางชูแสงสว่างในที่มืด ก็หมายของเราจะเคยมืดมนมาเพราะอาวิชชาหลงตัวเองมาก่อนหลงเอากายเป็นของตัวเองมาก่อนหลงใจเป็ของตัวเองมาก่อนเวลาอะไรมากระทบกายกระทบจิตว่าถูกกูเท่านั้นแ่ละใช่ไหมแต่พอหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องนี้ไปฏิบัติศึกษาไปออไม่มีกูไม่มีเขาไม่มีเราเนี่มันก็คือท่าสีขันห้ากระทบกันก็จบจะรู้เท่าทันแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้นะคุณต้องใช้เวลาพอสมควรในการฝึกฝน บอกทางเพราะนั้นหน้าที่ของกระยาเมธมีสีอย่างหนึ่งคืออะไรเปิดของที่ปิดสองหงายของที่คว่ำสามบอกทางแก่คนล้วงทางสี่ชูแสงสว่างในที่มืดถ้าไปพบคนคนนี้โอเคมีโอกาสโอกาสห0สเนแค่นั้นเองนะแต่ห้าสิเปอร์ซ็นของเราไปทำถูกไหมถ้าเจอ เพราะเรหันพระอิศรเจ้าสักสิบองค์แต่ว่าเราไม่โยนิสงบนัสิกานเลยเนี่ยเราได้ประโยชน์จากท่านไหมได้ประโยชน์ครึ่งเดียวคือได้โชคดีได้อยู่ได้กินได้สบายแต่ใจยังไปทุกข์เหมือนเดิมโชคดีครึ่งเดียวครึ่งที่ได้พบท่านทนั้นแหละแต่อีกครึ่งหนึ่งจิตเรายังมีทุกข์มีกิเลสตัณหายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเราก็ต้องมาทําอยู่นิสงบนัสิกานเพื่อที่จะมาไล่เอาตัวนี้ออกอันนี้คือความเป็นโชคของเรา ว่าอย่างน้อยก็ได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเนาะแต่อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะมาฝึกฝนไหมถ้าเจอแล้วเรานําไปฝึกฝนเราได้อีกห้าสอร์เซตแต่ห้าซ็นี้จะจบเมื่อไหร่ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูก <c oughs> ต้องหรือเข้าใจผิดเท่านั้นเองเข้าใจถูกหมายความจะรักษาตัวตื่นรูไ้ไปได้ตลอดไม่นานเข้าใจแต่ถ้าหากว่าการฝึกฝนมีน้อยไม่สามารถรักษาตัวตื่นรู้ให้ต่อเนื่องตลอดทํางบังบังง่งวงบงังเหงาบา ง, ง, าบางคิดบ้างปรุงแต่งบ้างสนุกไปบ้างช้าไหม ชาพุทธิยถาถึงประกันวา่าคุณเข้าใจถูกเ ด, เดินทางถูกก็จริงถ้าคุณไม่ขยันคุณต้องเสียเวลาอีกเจ็ดปีหรืออยารู้แต่คุณเข้าใจถูกขยันทำเข้าใจถูกต้องเจ็ดวันถึงเจ็ดปีมีโอกาสวันได้วันหนึ่งใช่ไหมเราจะเอาช้อยไหนก็เลือกเอาดีจะทุก เปีไปอีกเจ็ดปีก็ให้มันทุกไปใช่ไหมขอทุกแค่เจวันก็พอก็ได้แต่คุณจะทําทุงหรือไม่ถูงก็นั้นเองอันนี้ท่านตัสประกันไว้ในสติปัฏฐานสูตรนะเรามาไม่ได้มั่วเองนะดังนั้นเรื่องความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะก็อยากจะใหะ้พวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเข้าวัดมาก็นานฟังธรรมมาก่อนานพบพระกรรมฐานมาก็เยอะแต่เมื่ อ, อไรมันจะสิ้นสุดสัทีถ้าเราไม่จบที่ตัวเองมันไม่จบหรอกใช่ไหม เขาว่าพระดีมาตรงไหนก็อ่อเฮกันไปทีนะตรงพ่อนั่นเดียวเฮกันไปมันเหนื่อยนะใช่ไหมเหนื่อยไม่จบตอนนั้นก็ในช่วงวันนี้เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนาเอามาเลยเอาเรื่องวิชาสิบเนี่ยมาลําดับให้ดูว่ามันเกิดประโยชน์อย่างไรเริ่มต้นอีกทีหนึ่งตัววิชานี้จะเกิดเพราะอาศัยตั้งแต่แรกอันที่หนึ่งคืออะไรได้พบกับครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเรียกว่ากัลยาณมิตร อันที่สองเราต้องได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านให้เกิดปัญญาทําให้เกิดศรัทธาศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักพูดต้องต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดเพราะว่าท่านดีท่านเด่นท่านพูดดีท่านปฏิบัติดีท่านเคร่งครัดท่านออน่าเรื่อมใสไม่ใช่ศรัทธาแบบนั้นแต่ศรัทธาที่เกิดด้วยปัญญาศรัทธาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วาทาตามได้แล้วได้สติ ได้คิดแล้วเกิดการใคร้ครวนแล้วเกิดการสรัรวมระวังแล้วเกิดการปรับกายว่าใจให้ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเข้าใจนี่คือสรุปวิชาสิทธิ์นะท่านน่าจะเห็นว่าในหลักของพุทธธรรมเนี่ยชัดจเจนมากเพราะอะไรเพราะท่านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาหลักการอันเดียวกันนี่หมด คือเศรษฐีประธานสีแล้วก็ความรู้อันนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆถ้ามาตัดสรู้แล้วจะรู้ได้ทั้งหมดไม่ใช่แต่ความรู้นี้ได้เป็นมรดกถูกทอดมาจากผู้รู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันหลายท่านแล้วนับตั้งแต่ว่าพระเจ้าทุกพระองค์มีหลายองค์นะคือคนไหนตื่นรู้เบิกบานก็เป็นพุทธะได้ส่วนจะเป็นสาวกพุทธะอนุวุธะสมาบมพุทธะหรือปเจกบุพุทธะแล้วแต่อย่างพวกเราอย่างมากก็เป็นอะไร สาวกพุท ธ, ธก็ดีแล้วใช่ไหมไม่ต้องปัตถนาปเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธก็ได้แค่สาวกพุท ธ, ธหรืออนุพุท ธ, ธก็พอละคือตามรู้ที่ท่านปฏิ ส, สูรมาแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ศึกษาเรื่องจิตตานุปัสสนาแต่ถึงไม่ได้ลงตัวบทของจิตานุปัสสนาทั้งหมดแต่นำเอาตัวที่ว่าตัวที่จะไปดับไปเย็นตามหลักของตัวจิตกับตัวอารมณ์เนี่ยควรจะดับอย่างไรก็อาศัยหลักวิชาสิประการนี้เข้าใจนะ ก็ขอโน้ม น, นาสถาธุกให้เราตัง้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่องความจริงในชีวิตของเราเนี่ยให้ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงแล้วได้เข้าถึงความจริงในตัวเองโดยการทุกคนทุกท่านเถิน